ในช่วงที่เรามาพูดคุยธรรมะกันเราก็มาอธิบายนํามาฟัง นะพอนี้เป็นลักษณะของธรรมะของพระเจ้าอยู่ 2 อัน ในโปรแกรมรายที่เอ่อถึงเวลาที่เราฟังธรรมบทได้นะก็เป็นหน้าที่ของสมณะอย่างข้าพเจ้าอยู่แล้วทีนี้ในการที่เราจะทําความเข้าใจเกิดขึ้นได้เนี่ยนอก นั่นไอ้การปฏิบัติตรงนี้ก็คือว่าเอามาทําเลย เพื่อความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าว่างี้เนี่ยก็ยังทําไม่ได้อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ ความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นทันทีเหมือนกันแล้วความเข้าใจในเรื่องจริงๆการ กับบางทีเราอ่านทําความเข้าใจไปเราเพื่อปฏิบัติให้ถึงความเป็นอย่างนั้นหรือว่าการ ในนิพพานของพระพถมธรรม 3 ส่วนนะ 1 ส่วนนะคือถ้า 4 ส่วนเนี่ย 1 ส่วน ที่เราเลข 3 ส่วนเป็นพื้นดานทั้งสิ้นเลย 1 ส่วนเนี่ยต่อให้น้ําท่วมโลกทั้ง แล้วก็การอยู่เดินก็เป็นเป็นอย่างลากยากลําบากนะว่าสมมุติน้ํา แต่เต่าตัวนี้ก็ร้ายปีหายใจครั้งเดียวโผล่ขึ้น นะคําถามนี้พุทธาถามภิกษุทั้งหลายในที่นั้นแล้วภิกษุ แล้ว والعธี มันอาจจะเล็งขึ้นมาแต่มันเล็งไม่ได้เพราะว่ามันมันมองไม่เห็นแล้วหรือบางทีโผล่ขึ้น 100 บีถึง 100 บีครั้งเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความเป็นไป โอกาสโอกาสความน่าจะเป็นที่น้อยอย่างนี้น่าจะเป็นเนี่ยน้อยมากโอกาสความน่าถ้าท่านฝั่งลองจับตัวเองนะดูอึ้งอังลมที่จมูกก็เจอ นะแกยากทำไมถึงยากนะเพราะว่าคนพาลเนี่ยถึงมัวเอาทำไม่ดีไปตกนรกในนรกนี้ต้องตลอดกันนานๆมากกว่าจะเกิดมาเป็น นะความยากตรงนี้เท่ากับความที่ไกรสุกุลนะคนหนึ่งที่จะได้มา 1 ส่วนยังส่วนในที่ที่มันยากมาก นะ, พระโคดมองค์นี้แล้วก็มาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ผ่านมาหลายพันปีแล้วดังนั้นลักษณะแรงตางอาจจะเลือนเลือนไปบ้างแต่คําสอนยังอยู่นะคําสอนที่ทรง 3 นะ 3 ก็ ธรรมจักรนี้ก็แผ่ไปกว้างไปและแล้วตั้งอยู่ได้หนานด้วย จึงทําให้พระสัตตัมเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานนะคือตั้ง เพราะงั้นตอนนี้เนี่ยเราใช่นะเอามืออังจมูกดูเอามี สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในตัวของเราแล้วๆเลยท่านผู้ฟังนะทําไมถึงชาติอื่นในรูปอื่นในแบบอื่นเรื่องว่าฉันต้องมารู้ธรรมะอะไรนะซึ่งมันเป็นความยากนั่น นะสวยไม่สวยเราไม่เหลาะก็ตามเถอะแต่แต่ถ้าเรามีจิตเนี่ยในการที่เรามีจิตอยู่ณตั้งจุดใดจุด คือเจ้ายากขนาดนี้ย่อยยายแล้วธรรมะต่างๆก็มีอยู่ผู้ชาวก็มีมาแล้วผ่านมาแล้ว 4 นั่นเองงามมาเป็นผู้ที่ มีชีวิตไม่สูญปรานทางมีชีวิตเป็น